ทีแล้วถ้าเธอยกไปไม่กลับเรวหูอ <c oughs> ่าวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้คือวันนี้ <c oughs> เกี่ยวกับวันนี้ยังไงสำคัญมาก ได้ยินไหมฮะได้ยินบ่ <c oughs> อ, <c oughs> อันนี้เป็นวันลาพวกเราคงจะรู้กันแต่ว่าแสดงออกหลอย่างที่วันนี้พวกเราก็มารวมกันที่นี่ โดยไม่ได้นัดตายนัดลายต่างคนต่างนันขึ้นมาเองจากทุกภาคของประเทศก็ว่าได้ก็ไม่มากแต่ว่าพอสมควรแล้วก็มาทำหน้าที่ของเรารวมกันที่นี่ ที่เป็นสาระวันนี้ก็เป็นวันอาสาลหบูชาเป็นมาครบอีกรอบหนึ่งชีวิตเราก็ยังพอมียังไม่ตายตอนเรียกว่าโชคดีที่เราจะได้ประกอบจิอันโสงสุดที่ให้เกิดเพิ่มเติมขึ้นแก่เราอีกให้มากขึ้น เนั้นหัวเผือกหัวมันที่อยู่ในดินแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆโตกว่าปีที่แล้วคุณธรรมที่มีอยู่ในชีวิตเราก็าา จ, จะโตขึ้นถ้าเราเรียนพยายามประกอบอยู่เสมอเป็นไปได้โดยกัน มบัญวันอาสหาหบูชาในวันนี้เกี่ยวกับพวกเราทั้งนั้นคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับประวัตรสูตรอันเป็นเวเพื่อเทวด า, ามารพรและมนุษยเทวโลกควมโลกท้องงวลได้ประโยชน์จนมาถึงพวกเราทัวันนี้เราได้ประกอบพิธีในวันนี้ จากที่การตัดจัลุของพระเจ้าตั้งแต่วันเป็นเดือนหกยังไม่เคยแสดงธรรมมาแสดงวันนี้วันเพ็นเดือนแปดให้เกศคนห้าคนฟังที่ว่าปัญจวัคคีย์อย่างที่เราสาธยายพระสูตรจบลงไปธรรมจักกับปันระกามธรรมจักกับปปัตระสูตร ตีนเหมือนแฉงอันเป็นสูตรที่กิ่งหมูนจัก ร, กกรธรรมให้เกิดขึ้นจนแหลกไปเลยเหยียบย่ำไปเลยในทุกขในสมุทยัยในโลดมรกแหลกไปเลย สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งใดเป็นทางดับทุกข์สิ่งใดทําให้หมดทุกข์ได้สําเร็จไปเลยพอได้เป็นไปแล้วอย่าน้อยเป็นไปแจปันชั่วขีกคนทาญาผู้มีอายุใด้รู้เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเฉลยคนที่หนึ่ง เรียวพระสงฆ์เกิดขึ้นไหนพระพุทธศาสนาในวันนี้คือกนธัญาภามคนธัญาภามคือใครคือภามทั้งแปดที่ไปทำนายลักษณะของศีรัตถะตั้งแต่ประสูติใหม่ทำนายลักษณะก็ทำนายได้แม่นยามว่าชิรัตถะนี้ ออกบวชแน่ดอนตัดชลุกเป็นมนุษย์สัมมาสังธรีย์เป็นศาสนาเอกในโลกเป็นศาสตราเอกในโลกทําลายไว้อย่างนี้คนยาเป็นพระหนุ่มส่วนพ ร, รมะเอกเจ่านั่นทํานายเป็นสองลักษณะว่าถ้าเสียถะของคารวะจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกในโลก สองลักษณะส่วนกรทย า, าพานี้ทำนายเป็นลักษณะเดียวต้องออกบวชแน่นอนเป็นชาตรายเอกในโลกแน่นอนโลจนสิบหกปีเอา้าพราสาทพระเจ้าสุโทธทนะสร้างพราสาทส า, าวรดูให้กลัวว่าศิตตธาจออกบวชจึงสร้างโลกให้ให้หน้าอยู่ อาคาเบชีคือพิมพาสาวงาม <c oughs> <c oughs> มาเป็นดักราเมชีมีสนมคำนั้นในตลอดเวลาจนไม่เห็นนอะไรอยู่ในแต่ปราสาท์ามฤดูแล้วดูร้อนอยู่ห้องหนึ่งแล้วดูหนาวอยู่ห้องหนึ่งแล้วดูผลอยู่หลังหนึ่งค <c oughs> นในยาพรางว่ายังไม่ยังไม่หมด ยังเชื่อมั่นในการลักษณะของสิท ธ, ธัตถะจนรอไปถึงได้ชนสิรได้อายุยี่สบเก้าพรรษาออกวัวจริงๆตอนนั้นก่อนจยาพามเลยชวนลูกของพาม <c oughs> <c oughs> ที่ไปทำนายลักษณะในวันนั้นด้วยกัน เอาลูกของพรามส่วนพรามที่ไปทำมายลักษณะด้วยกันนั่นหมดชีวิตไปแล้วเพราะเป็นคนเท่าคนแก่โดยชวนเอาลูกของพรามเลยว่าปปะพัทยภานามะอสคีไปด้วยกันบอกติดตาม <c oughs> เพื่อให้สิทะอบวบอวนแล้วจะได้ตัดรลูบางโปูดพวกเราอตามไป <c oughs> นั่น จนอยู่ถึงหกวิตามพระพุทธเจ้าตามสิทธัตถะ อ, อกกดจน <c oughs> นีจากเห็นมาชินข้าวชินน้ำปัญเจ้าชีนีจากออกจากพุทธขยาออกจากบ้านนางสุชาดาใกล้ใกลับพุทธคจ้าพุทธขยาลีนเหมือนเชนนะั้ นี้ไปอยู่ปันอิสิปตนะโน้นเมืองพราลาสีพุทธกยาจากเขาเมืองพราลนาสีเนี่ยมันไกลกันนะนอย่างน้อยต้งสามรอยกว่าหม้อสีร้อยกว่าหม้อเท่ากุ้งเทพอะคุพยพรมเนี่ยละ่ะทูตเจ้าเมื่อตัดเชื้อแล้วในวันเพ็ญเดินหกตั้ง ได้หาคนที่สอนอยากสอนใครหนูเรื่องเดียวจึงคิดเห็นปัญจวบคีพอมีนิสัยผู้ที่อยากฟังทำแล้วไม่ได้ตีแรกก็คิดเห็นอุตกาดาบทอดดาดะดาบทึ่งเป็นรจารย์คนแรกแต่ว่าหมดไปแล้วไม่มีแล้วจึงมั่นใจเดินหลอนแหลวจาก พุทธคยามาอิสิปตร ะ, ดะได้แสดงธรรมในวันนี้แจ่ปัญญคีคือทั้งหมดแล้วสมบูรณ์แล้ ว, ลลวตั้งแต่การตัดจัลโการปรินญาผานตลอดทั้งการเกิดแก่เจ็บตายจบลงไปในธรรมเทศนากันเดียวเนี่ย ทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับเราอย่างไรการตัดสิลูกการแส<า>ดงธรรมเกี่ยวกับพวกเรายัางไงเราปฏิเสธไม่ได้ชีวิตของเราก็คือเรื่องนี้เรื่องการเกิดเกเจิดเกิดเกนดเกเรื่องความ <c oughs> วาาเกิดเกิดเกิ <c oughs> ตเกิดเกิดเกิดเกทดเกิดเราเ วนเวียนอยู่นี่นั่นจึงเป็นเรื่องของเราเราปฏิเสธไม่ได้การธรรมะที่ธรรมาการตัดรูหัวเจ้าพ่าพอธรรมงำสอนมาพร้อมกันอันเป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปรินิพพาน มาพ้อมกันหมดครบถ้วนหรือว่าท ร, รมาจากขปวตสูตรหนังที่เราได้สาทยายพ้อมกันนี่ไม่ควรจะสงสัยแต่มันคืออะไรคือเราก็เห็นอยู่มีสติมันก็มีได้ทุกคนสติคืออะไรคือความรู้สึกตัว เมื่อมีสติก็เห็นอะไรเห็นความหลงเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับปลากับใจได้เห็นแล้วเราทำไงเห็นหลงให้หลงเป็นหลงมันก็ไม่ใช่เห็นเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้เราทำได้ไม่โทษที่ตรงนี้เราได้ทำแล้วพระเจ้าบอกว่าทาแล้ว จิงใดที่ทําใ ห, เเาเห้เกิดทุกข์เรารู้แล้วเหตุที่ทำเกิดทุกข์เราทําแล้วทางที่ทําให้ออกจากทุกข์เราได้ทําแล้วหัวงพ้นทุกข์เราได้พ้นไปแล้วเหมือนเราเห็นงูไม่ต้องเก็บพวกงูกันเห็นทุกข์ก็ไม่ต้องทุกข์พวกะความทุกข์แล้วก็เป็นเรื่องของเราเราถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนี้มันจะมีไม่มันจะมีค่าอะไร มันจึงทําได้ทุกชีวิตทุกชีวิตก็มีอยู่อย่างเนี้ยเรามามีสติมาดูเนี่ยเมื่อเห็นเนี่ยอานเท่าไหร่ชีวิตของเรานี่ระว่างรู้ระหว่างหลงน่ยมันมากกลัวกันเท่าไหร่เราจะปล่อยให้หลงอยู่เช่นนั่นเลยแก้ตัเรามาเดินจองกรมยกมือเคลื่อนไหว ชัวโมงหนึ่งก็หลงไปเท่าไหร่เราลู่ไปเท่าไหร่มันสมดุลกันมามถ้าเราไม่ช่วยตัวเองตัวนี้ไม่รู้เยอะจะช่วยอะไรไม่ใช่มีค่าอะไรเลยถ้าเราเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเนีย่ยมีค่าขึ้นมาแล้วแล้วก็ดีเวลามันหลงลูกขึ้นมาได้ประโยชน์เวลามันทุกข์ลูกขึ้นมาได้ประโยชน์เวลามันโกรธลูกขึ้นมาได้ประโยชน์ มันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเราไม่ทําตรงนี้อะอะไรที่เป็นชีวิตของเราเวลาที่เราใช่ไปมันเป็นยจงไงสัมผัสดูสัมผัสกับผมไม่หลงสัมผัสกับผมไม่ทุกสัมผัสกับผมไม่โกรธทุกคนก็มีเรื่องเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ได้ปไปเะโยน์่หลงเรื่องใดก็หลงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง าบางทีก็หลงมากบางทีก็หลงน้อยเสียเปียบความหลงเสียเปียบความโกรธเสียเปียบความทุกจนเป็นโล่งเป็นรอยในหัวใจของเราลอยลักลอยแค้นลอยผิดลอยถูกลอยอะไรต่างๆนะเราจึงไม่ควรจะเสียเปียบเหมืนบางเกิดจากเท่านี้มีเหตุมีปัจจัย ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุล้วก็จะดับจะแก้ก็จะที่เหตุเหตุมันคือตรงไหนคือไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนป่าถ้ารู้ก็เหมือนเหมือนเหมือนทางเราก็เคยหลงยังหลงอยู่ก้ยโกรธก็ ย, ยังโกรธอยู่ยังงกมุ่นอยู่ในป่า แต่ที่จะหลงเป็นทางไปหลงเป็นหลงหรือว่าอยู่ในดงในป่าถ้ามีป่าก็ต้องมีอะไรอยู่เี่นั้นมีของที่ไม่จุดบวกมีพิษมีพัยโบรานท่านจึงว่าณนะที่เดมีป่าอย่าประมาทเสืออุบาทมีอยู่คู่สถานคอยจับจ้องมองเหยื่อทุกวันวัน ไอเดินผ่านไม่ระวังมีหวังตางป่าคืออวิชชาคือไม่รู้ความรู้แม่ใช่มีป่าโล่งเห็นเราอยู่ทุก ว, วันนี้ก็อยู่ในที่มันมีทางเดินไปในที่มีทางกีวิตเราต้องมีทางจะไปที่ใดต้องมีทางจิงถึงจุดหมายปลายทางไอ้ใช่ดุ้นเดาไป มันมีทางไปแผนที่ทางเดินอย่างพระพุทธเจ้าแสดงทับพระสูตรต่างๆเป็นแผนที่ขีดเช่นไว้หลงที่ลยลูท่ทีนั้นกลับไปทางให้มันถูกถ้าไปทางมันหลงอยู่แล้วหมกมุน่นแล้วก็หลงเลยไปหลงแล้วไม่ใช่หลงเล่นหน่อยหลงเพิ่มขึ้น จะเกิดอะไรต่างๆมากขึ้นมานี่คือพระธรรมคมสอนในวันนี้มีหลักมีฐานมีตัวมีตนสัมผัสได้ชีวิตของเราสัมผัสได้ไม่ใช่อยู่คนละโลกมันอยู่กับเราทุกชีวิต ถ้าเราได้ทำตรงนี้ให้มันถูกสกัง่งนี้ผิดนั้นก็คุ้มค่าจงร่างกาตือนลือลน้นในเรื่องอย่างนี้กันการปฏิบัติก็ทำได้ทุกคนไม่ใช่ทำไม่ได้ไม่ใช่คนเรื่องเห็นกันอยู่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการ ผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้จิงในรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติถ้าใครมีสติก็หลงน้อยถ้าใครไม่มีสติก็หลงมากเพราะนั้นแสงหิงหอยก็แสงสว่างนิดหน่อยแสงตะเกียงก็สว่างขึ้นนิดหน่อยแสงมีออนก็สว่างขึ้นนิดหน่อย มากขึ้นกับแสงตะเกียงตอนแสงดวงอาทิตย์ก็ลู้แจ้งโลกโตกวิถูอันที่มีอยู่ในกายกค้งสอกจะหวานะคือปูมดไม่ใช่ไหมลู่เลื้นนั้นมันจบตรงนี้เรียกว่าลู้โลกมีสติเป็นด้านรอบการมีสติเป็นด้านรอบในรูปในนามในกายในใจทั้นเรียกว่าพระอหรหันต์ ผุช้ชงกายังบาลิมุขังสติอุปตะเปตะวาผู้มีสติไปได้รอขีณาศกคือพระขีณาศกขีณาศกคือใครคือพระราลมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมามันจะมีขึ้นก็ต้องประกอบไม่ใช่ไม่ใช่เพ้อฝันไม่ใช่อ้อนวอนไม่ใช่ เรื่องอื่นต้องประกอบตัวติมันจะเกิดก็ประกอบไอ้ใ่ท้องยำโดยจำไปต้องประกอบขึ้นมาสัมผัสองค์กายไปสัมผัสเอาใจไปสัมผัสกับคงรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้กายสัมผัสอะไรใช้มันสัมผัสกับอะไรอาจจะสัมผัสกับอารมณ์ความหลงมากจนเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือน มักบ่มเป็นจริตเป็นนิจใจทอะไม่เคยสอนตนเตือนตนแช่ไขตนเองโดยอยู่นั่นโอ้คูนไปจนมากเหมือนดินพ่อขาวหมูเป็นเจ้าอรุณโทสะจริตงูหอจริตลาค้าจริตโมค้าจริต จนมากมายคิดอะไรออกหน้าออกตาไม่มีคุณนรรมแต่ชีวิตของเราเอาศัยไปได้มีใจก็พึ่งใจไปได้ไม่รู้ว่าใจเป็นอย่างไ ร, รมั่นใจตัวเองกานจะอยู่กันยังไงมันก็มีสิ่งที่ทำได้อยู่ พึ่งได้อยู่มันไม่เกิดลี้ลี้ลับล <c oughs> ับมันโง่โง่กหลงก็โง่โง่กอโกรธก็โง่โงความทุกข์ก็โง่โง่แสดงออกได้เหตรที่มันทุกข์ก็แสดงมาทางใบหน้าทางกายทางใจ เราไม่เห็นคนก็เห็นหน้าบูดบูดหน้าเบึงบึงพูดเจาก็ไม่เพราะจับชะตาอาวุธบงรงหัดปะนัได้แต่เราก็เห็นอยู่ถ้าไม่เห็นตัวเองก็เวลามันโกรธไอ้สองกระจกดูมันจาดูไหม ไปเดินส่งก็จกดูหน้าตัวเองดูซิเป็นแม่คนไหมเป็นเมียคนไหมเป็นผัวคนไหมเป็นลูกคนไหมเป็นพี่น้องกับใครไหมเวลาเบิ่งโกรธเป็นวิ่งกับใครแม้แต่ตัวเองก็ทํำลายตัวเองกันนี่แล้วเหมือนลูกระเบิดก่อนที่มันทำลายเขาเหลือบต้องทำลายตัวเองก่อนมันแตกก่อนมันจะทาลายคนอื่นค็ต้โกรธเบิ่งกระลับเปิดเทมทำลายตัวเองสุดหมดชิ่นไปแล้วในความดี มันก็ไปทรลายคนอื่นได้เราจะเป็นอยู่อย่างนี้ล่ะชีวิตของเราตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ยึงมาประอกอบขึ้นมาในความดีสร้างขึ้นมาให้มันมีกับชีวิตเรานี้ในวันนี้วันนี้มันเป็นอย่างนี้ผู้นี้ก็เป็นอย่างนี้แต่วันนี้เรามีสติผู้นี้ก็มีสติแต่วันนี้เราหลงผู้นี้ก็หลง แน่นอนที่สุดเพราะมันไม่ไม่มีบุญว่าชนาะไม่ได้วาดไม่ได้เขียนไม่ได้ขีดเส้นให้ตัวเองวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ขีดเส้นให้กับตัวเองเดินอยู่ในเส้นเนี่ยให้มันจำนี้จำนานกรรมฐานเป็นการขีดเส้นเดินชีวิตของเรา มันมีทางนีบว่าอาริยมรรคอริยมรรคเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานคือทำไม่ไหนเนี่ยอย่างไรพูดมเมื่อวานนี่ทำไม่หนทำไม่ไหนเป็นสิ่งที่พูดเจ้าตัดไปรีเแล้วถ้ามีทำไม่ไหนอยู่ก็มีมรรคมีผลอยู่ ทำไม้ไหนก็คือเส้นได้ก็ว่าได้ร้ยชีวิตของเราให้เป็นอันเดียวกันชีวิตของเรานก็เป็นคนละดอกตา่างต่างต้นต่างสีกาช่วยกระจายกันต่างต้นต่างสีต่างติน การช่วกระจายกันเมื่อเอาเช่นน้อยเป็นล้อยเข้ากันก็กลายเป็นพม่าไหลนี่คือทําไม่ไหนกลายเป็นอันเดียวกันไม่จะเป็นสีเป็นกิ น, นเป็นต่างโทนสวยงามขึ้นมาได้เมืเราเป็นอันเดียวกันอย่างนี้ก็ดว้วยมีมรรคผลนิพพานนี่บวเรียบเรียบอันเดียวกันเลย แผ่นดินเรียบไม่ใช่แผ่นดินคือชีวิตของเราเป็นคนคนเดียวกันแผ่นดินเรียบเหมือนหน้ากองศาสานาพระศีอาลัายใไตจะมาตัดฉลูหมายถึงื่องนี่ต่อเมื่อไหร่โธรรมะไปปฏิบัติเอาสอนตัวเองแก้ไขตัวเองเตือนตัวเองไม่มีใครเห็นเราได้นอกจากเร า, เ, ราเห็นเรา ไม่มีใครสอนเราได้สอนให้เราเป็นคนอื่นสอนให้รู้แต่สอนให้เป็นเราต้องสอนตัวเราสอนให้รู้ก็ยังใช่ไม่ได้นี่พานคือใจดีๆแต่นรกคือใจไล่ๆสวรรค์ขนี่ผานคือใจนี่ผานคือใจเย็นๆสวรรคือใจดีๆนรกคือใจไลยๆ อ้าวมั inside, data, saber, นคืออะไรมันคือเรื่องของใจนี่เองใจก็เป็นใหญ่แบบเนี้ยจะจะนรกจะตกนรกก็คือใจจะได้สวรรค์ก็คือใจจะได้นิพพานก็คือใจนั่นก็เป็นใหญ่แบบเนี้ยเราได้ช่วยไหมช่วยจิตใจไหมพอให้หลงอยู่ข้ามวันข้ามคืนพอให้ทุกข์อยู่ข้ามวันข้ามคืนพอให้โกรธอยู่ข้ามวันข้ามคืนแต่ช่วยไหมช่วยจิตใจไหม ยกขึ้นมาไหม้าไม่ช่วยให้ให้มันไม่มีภัยมันก็จะต้องมีภัยอา บ, บุตดำเมึองตัวเองตกดาวโลกอยู่ก็ไม่รู้จักดาลกกลัวดาโลกต่อเมื่อตายไปแล้ว <c oughs> แต่เดี๋ยวนี่ไม่กลัวมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นเลยมากลัวต่อเมื่อตายอย่างมีสวรรค์ต่อเมื่อตายไปแล้ว อยากมีนิพพานก็ต้องเมือ่อตายไปแล้วนั่นก็ไม่ใช่พร้เจ้าสอนเป็นปัจจัตังเป็นปัจจตังรู้เดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้หมดเดียเด๋ยวนี้พ้นเดี๋ยวนี้ใจเย็นเยนได้นิพพานเคีมลงองใจดีๆก็ได้สวรรค์เคียมลงองใจลอยๆก็ได้สโลกเคียมลงเคยคิมไหมพระทิพย์เปิม เคยกินมาลูกไหม <laughs> เวลาวันทุกมันโกรธยังไงกินข้าวได้ไหมนอนหลับไหมไอ้อคนที่โกรธตายไม่ลืมตอนนันเนาะคนเราดึงขึ้นมาแล้วลงไปอีกเหมือนหนอนอยู่ในคูดเกียยขึ้นบาเราจังยั ง, ย ง, ยงดิ้นลงไปอีกจะเกิดตัวกอยกเกิดตัวลูกจะเกิดตัวเพือ่อกกน ไม่โกรธเปนได้ไม่โกรธเปนได้ก็ไมโยอมก็ไยอมก็ไม่รู้มันมืดบาปมืมดไม่เห็นบุญคือสว่างเหนที่ถังถางช่วยตัวเองเป็นที่เจ้าสอนเรื่องนี้สวรรค์นในอกลกในใจในิพพานอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนไมีนิพพานอยู่ที่นั้น ดูคนทุกคนเหมือนพระเจ้าฟังเสียงทุกเสียงให้เหมือนเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนได้เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่นนี่คือชีวิตแท้ๆเลยไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษโตเดินทาก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษเขาชั้นเสริญก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษ ก็จะบีแเห็นมันเป็นรถของโลกนี่ราคือโลกเป็นทาร์สรเสริญสศกทุกน้อยเสียเป็นรถของโลกสมบัติของโลกมีมากรถ้าเราไม่เหนือตรงนี้จะถูกโลกทับถมอ๋อที่เจ็บปวดต้องเป็นฉิงเป็นเสือเป็นฉิงใจฉิงใจเสือเขียนลายให้ตัวเอง อย่างที่ลุงตาพูดเมื่อวานนี้ว่าตกลงว่าเป็นเสือแล้วลายไม่หลายกา็ัง้งเขียนเติบเติมขึ้นมาเขียนให้เป็นหลายขึ้นเวลามันหลงร้อยเสือคือไม่หลงสิงคือมั่นใจไม่มีแพเรแยก ว, ว่าสิงเสือเคยไปดูสิงสิงโตไหมพ่อทายกสวนสัตว์ุจิตเคยไปดูไหม เราไปเรียกสิงให้มันมองเราหรอกมันไม่มองใครหรอกมันก็เดินโชยยยยอยากจะยื่นมือจะเอายังไงให้มันดูมันไม่ดูหรอใช้สิงบันไหวอะไรชีวิตเนี้ยหลุดไปเลยโลกเนี้ยเขาเดินท่าก็ไม่วันไหวเขาสั่นเสริญไม่วันไหวสุขก็ไม่วันไหวทุกข์ไม่วันไหวตายเสียไม่วันไหว เราฝึกฝกิตใจของเราผู้ดีฝึกผลกิตใจดีแล้วไม่หวั่นไหวเพราะนินเธสันเสริญอูเจ้าพูดลรงนี้บ้างอูเขาศีลอแท่งทึกไม่สะเทือนหัวลมฉันไดเหมือนติดผู้ฝึกผลดนดีแล้วมาเนินทาไม่หวั่นไหวเพราะนินทาสันเสริญฉะนั้นนี่คือชีวิตของเราจริงๆเราจะอาศัยกันได้ มั่นคงพึ่งพาอาศัยกันได้เราก็พึ่งใจเราได้ใจของเรามาไม่เป็นอะไรแล้วหมดพิษหมดภัยแล้วเราก็ฝืกอย่างนี้ในเทปธรรมมทางในในธรรมเทศนาวันนี้อาสรบูชาเวียนมาถึงพวกเรา เอาให้เกิดประโยชน์ชนเหมือนกับคนทยาภาพฟังเทศนา์านในในธรรมจักรเรื่องนี้เข้าเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาทันที<ง>เพราะเกี่ยวกับเราเองนั้นหลงไม่หลง เหมือนพระเจ้าวสอนไปเฉพาะหน้าด้แล้วมันทุกไม่ทุกพระุทเจ้าบอกอมาทางนี้มาทางนี้นี่คือทางความฝงไปใช่ทางกลับเข้ามาทางไม่หลงนั้นโกรไม่โกรกลับมามันทุกไม่ทุกกลับมากลับได้หรือว่าปฏิบัติปฏิบัติคือกลับ กลับมาหาทางมันผิดกับมหามันไม่ผิดมันทุกข์กับมาหามันไม่ทุกข์มันโกรธกับผาหมากับผากับมาหาไม่โกรธนี่ว่าทางทัมผัส ด, ดูมันเป็นธรรมไหมความโกรธความไม่โกรธเป็นธรรมไหมอะไรมันสะดวกอย่าบอกนู่น สมผัส ด, ดูตัวมโกรธมันเป็นธรรมเลยความไม่โกรธเป็นธรรมตัวมทุกข์มันเป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมตัวมหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมเลือกได้อย่างนี้ชิดแล้วลวดสัตว์ประเสริฐตัวมนุษย์ส่วนได้ฉามนมายังเป็นสัตว์เดชฉานอยู่กี่ปีจีปีก็เป็นสัตว์เดชฉานพัฒนาไว้ได้มนุษย์เหล่านี้เป็นสัตว์ประเสริฐ มีลูกมีดำ ม, มีสัญญามีสังขารมีวิญญาตรู้อะไรได้มีธาตุลูกมีดดน้าไฟลมมหาพุทรลูกอาศัยได้เหมือนพ่วงแพรมหาพุทรลูกคือดดน้ำลมไฟเนี่ยพ่วงแพร มีขันธ์ทั้งห้ า, าเหมือนกับบัลรูนเลย ไ, ได้พวกแพรสร่นหลัดขี่ข้ามฟากามีรูปวงเอามือมารูปมชทำอย่างนี้ยกมาไหวอาจารย์ก็เป็นบอกความเลดความจริงอย่าเอารูปไปทำอย่างนี้อีวาจาก็เอาวาจารยมาพูดอย่างนี้เป็นเป็นรูปดาม ทำดีให้รูปมันทำดีให้น้ำมันทำดีแล้วก็มีอยู่ในเราเนี่ยทุกคนก็มีรูปมีน้ำทุกคนก็เปลี่ยนตรงนี้ก็เหมือ น, คนกคดบดคนในโลกนี้มีเท่าไหร่ประชากรในโลกเนี่ยฮะอะอะไรจะไม่ได้อาจารย์ติณอาจารย์ต้องขานบอก อนันละทุกคนก็นเริ่มต้นจากเราก็เป็นคนคนเดียวกันทันทีนับหนึ่งจากเราคนดีอยู่ที่ไหนอย่าขคีบหาใครคนดีต้องอยู่ที่เรานี้าเสนอตัวเราขึ้นมาลูกพ่อนี้แม่นี้เราคนดึงละยิ่งเรามีสามีปัญญามีเพื่อนมีการเมืองก็กเราคนหนึ่งละเสนอตัวเราขึ้นมา ทางต้นจากเราก่อนทุกคนนับเดิมมันก็มีสองมีสามแปจากพระกิตโทยาพามเป็นพระสงฆ์มาถึงพวกสงฆ์พวเราในทำวิไนตัานจงเป็นภิกษุมาเถิดทําไวิไนตัดไปดีแล้วจงปฏิบัติตามทำด้านเถิดปฏิบัติตามทำมันหลงอยากไปตามหลงมาปฏิบัติตามความไม่หลง บอกไว้แล้วมันโกรธจะไปตามความโกรธให้กลับมาหาความไม่โกรธมันทุกข์จะไปตามความทุกข์กับมาหาความไม่ทุกข์ทุกคนทําได้ไม่ต้องขอญาตจาใครหลวงตาฉันโกรธหนูโกรธผมโกรธตอนนี้ขอญาติไม่โกรธได้ไหมไม่มีคําพูดอย่างนี้ขอญาตไม่โกรธขอญาตไม่ทุกข์ไม่มีมีแต่เราเองที่ทําเอาเอง ทรปัดดูแล้วไม่ถูกจริงๆนี่คือการกระทงการทำแบบไม่เรียกป่าปฏิบัติขยันรู้เรียวภาวนาชั่ ว, าาวโมงหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งนี่ภาวนาขายันรู้เอาโดยเฉพาะกรรมฐานสิบสี่จังหวะสิบห้าจังหวะ แต่ว่าเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวีนกายานุปจนนาสติปัฏฐานมีสติไปในกายเคลื่อนไหวเอากายเคลื่อนไหวเอามือเคลื่อนไหวเอาขาเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวคือสร้างรูปแบบกายเคลื่อนไหวคือมันเดินใกย์มาเคลื่อนไหวคือมันคิดให้เห็นมันก็ตั้งต้นที่นี้ที่มันเคลื่อนไหวให้รู้ ถ้าเราจะภาวนาให้รู้ว่ามาเห็นเพราะวันมีลูกก็นมีเรื่องนี่แก้พระสิริธรก็แก้เราก็แก้เห็นอะไรเห็นครามงหลงหลงไปทางไหนเยอะแยะอาจจะหลงถึงพิมพาลาหุนเคยคนเคยมีลูกมีเมียอาจจะคิดถึงลูกถึงเมียบ้างใช่ไหม คนเคยอยู่ประชาทสามฤดูมาอยู่ต้นไม้อาจจะคิดถึงประชาทสาฤดูเอออยู่กับปู่สนมกำนันในไม่มีบุรุษเจือปนเลยอาจจะคิดถึงบุรุษอ้คิดถึงบริวารแลอยู่ลําพังคนเดียวเนี่ย บางทีก็เจ็บๆเราแดดตากฝ้าตากฝนอาจจะเป็นไข้เป็นร้อนเป็นหนาวัวตายมีความคิดเหมือนกันสู้อย่าเอาเริ่มาต่อรองเรามีสติแล้วเอาลงไปกลับมาไม่สติเวลานี้ไม่ใช่เรามาคิด ไม่ใช่เรามากลัวไม่ใช่เราวาวิตกการวนอะไรเราวาภาวนามีสติตัดถชิงใจตัดเชิงใจหลงที่ไรตัดเชิงใจไม่หลงรู้มีรอ ย, ยิ้มนีต่อเห็นหลงเป็นหลงมันก็ไม่ทมาําำอะไรหลงเป็นรู้ทุกข์เป็นรู้อะไรเป็นรู้ก็กรรมกรรมมาจากจิต ได้ขิดชีวิตเราได้จะเคยหลงมาเป็นโลจะเคยทุกข์มาเป็นไ่ทุกข์ได้จะเคยผิดมาเป็นไม่ผิดได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมอา้าวหลวงตาว่าจะไปภูเขาทองเท่าไหรนะ่เนาะเอออ้าจะไปภูเทองมีรถไหมนาะเ๋ย